วิธีปรับปรุงความจำความจำของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกับสมองและอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายต้องการการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้มีสมรรถภาพดีอยู่เสมอไปนักจิตวิทยาหลายท่านได้ยอมรับต้องการว่าประสิทธิภาพของความจำนั้นอาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างมากพอสมควรถ้าหากว่าเราได้มีความรู้ความเข้าใจหรือความหมายในสิ่งที่เราต้องการจะจดจานั้น ได้ปรากฏอยู่ทั่วไปว่าในการที่เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับบุคคลหน้าใหม่และได้รับการแนะนำให้รู้จักกันเป็นครั้งแรกในงานที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาในกรณีเช่นนี้ถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนสำคัญที่เด่นอยู่ในงานนั้นหรือในวงสังคมทั่วไปจริงๆซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษแล้วเราก็มักจะจดจำชื่อคนคนนั้นไม่ได้ถ้าเวลาล่วงเลยไปอีกแม้เพียงข้ามคืนเดียว จากการค้นคว้าของนักจิตวิทยาพบว่าประสิทธิภาพของความจำของมนุษย์เรานั้นอาจจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ถ้าหากเรามองเห็นความหมายของสิ่งที่เราจะจำหรือมีความรู้ในสิ่งที่เราต้องการจะจำนั้นเราจะได้รับความสมบัติในการปรับปรุงความจำเมื่อเราตั้งสมาธิในความหมายเมื่อเรากำลังบันทึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปในช่องความจำของสมองและจากการตั้งสมาธิดังกล่าวนั้นจะทำให้จำได้เร็วกว่าปกติ เมื่อจำได้แล้วก็เป็นเวลานานกว่าจะลืมความจำนั้นจะถูกประสบการณ์ใหม่ๆลบออกได้ยากมีโอกาสที่จะนำเอาความจำนั้นไปใช้ในที่และโอกาสต่างๆอย่างกว้างขวางอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คุณได้มากให้ความคิดที่สามารถปรับเข้าได้ทันทีขอนำตัวอย่างในเรื่องการทำสมาธิเพื่อให้เกิดความจำดียิ่งขึ้นให้เห็นสักเรื่องหนึ่งคือ นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีสายตาไม่ปกติและการมีสายตาไม่ปกติของเขานี้ได้ทำความรำคาญให้แก่เขาเป็นอย่างมากเพราะทำให้เขาต้องพบกับความยุ่งยากในการอ่านตำราเขาจึงคิดแก้ไขและฝึกการสร้างความจำด้วยการนอนลงบนเตียงตั้งสมาธิให้แน่วแน่แล้วให้เพื่อนสนิทคนหนึ่ง เป็นผู้อ่านตำราต่างๆที่เขาสนใจและต้องการจะจำให้เขาฟังดังๆเขาทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดมาและเมื่อเขาฟังนั้นเขาตั้งใจและฟังด้วยสมาธิพยายามที่จะเข้าใจความหมายของข้อความนั้นๆผลต่อมาปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ตาพิการผู้นั้นกลับกลายเป็นคนที่มีความจดจำดียิ่งกว่าเพื่อนๆร่วมมหาวิทยาลัยของเขาที่ต่างก็มีสายตาดีเป็นปกติเสียด้วยซ้ำ อันหนึ่งได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าความจำระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นั้นผิดแพกแตกต่างกันมากกล่าวคือเด็กๆมักจะจดจำรายละเอียดต่างๆได้อย่างนกแก้วการท่องจำดะไปทั้งๆที่ไม่รู้ความหมายของสิ่งที่จำนั้นเพราะเด็กไม่รู้จกเลือกเน้นว่าสิ่งใดที่เขาควรจำมากน้อยเพียงใดเขาจาสิ่งที่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์ปนเปกันไปหมด แต่สำหรับผู้ใหญ่นั้นจะเลือกจดจำแต่เฉพาะในเรื่องที่มีความหมายความเข้าใจซึ่งจะทำให้จำได้นานกว่าและแม่นยำกว่าผู้ใหญ่ที่กล่าวในที่นี้หมายถึงผู้ใหญ่ประเภทที่ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ประเภทที่มีการศึกษาน้อยดังชนชั้นกันมาชีพแบกหามแล้วมักมีความจาในแบบเดียวกับเด็กๆคือมีความเข้าใจในเหตุผลและความที่แท้จริงของสิ่งที่จะจดจานั้นน้อยมาก เขาจะจดจําสิ่งที่นายงานสั่งให้จดจําและปฏิบัติตามโดยไม่ไพยายามใช้ความคิดถึงเหตุผลใดๆทั้งสิ้นการแสวงหาความหมายโดยปกติสมองของคนเราซึ่งทําหน้าที่ในการขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆจะทําหน้าที่ได้ติดต่อเมื่อได้รับสิ่งที่เรียกว่าความหมายเข้ามาป้อนเพื่อมันสมองจะหมุนเวียนและเก็บงําความหมายนั้นไว้โดยผ่านไปตามเซลล์ประสาทซึ่งมีมากมายหลายล้านเซลล์ โดยทั่วไปแล้วสมองไม่ได้ทำหน้าที่กลั่นกรองหรือสร้างความหมายขึ้นมาได้เองดังนั้นถ้าเราไม่ได้หาความเข้าไปป้อนแล้วสมองก็ไม่ได้กอ่อให้เกิดอะไรขึ้นเลยมนุษย์โดยปกติเริ่มจดจำสิ่งต่างๆซึ่งผ่านเข้ามาทางการได้แลเห็นการได้ยินและแล้วก็จะเกิดความจำนั้นไว้ได้นานนักเพราะในขณะยังไม่รู้จักความเมื่อจเจริญวัยมีอายุได้ประมาณสองหรือสามขวบ เด็กจะเริ่มรู้จักความหมายของคำที่จะจดจำหรือสิ่งที่จะจำเพื่อให้สมองนำออกไปใช้ได้เมื่อต้องการในการรวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจำทีละเล็กทีละน้อยนี้มีความหมายอันมีอำนาจที่เกี่ยวกับการจำมากและจะค่อยๆสร้างสมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยซึ่งอาจแยกได้เป็นขั้นๆดังนี้ขั้นที่หนึ่งมนุษย์เริ่มกรกรองเอาสิ่งประทับใจอันมีความหมายจากประสบการณ์ประจำวัน เพื่อการพินิษพิจารณาเป็นพิเศษขั้นที่สองจากนั้นก็เริ่มค้นหาประสบการณ์เพื่อสแสวงหาสิ่งที่มีความหมายที่แท้จริงหรือความรู้ทั่วไปที่ซ่อนอยู่ในประสบการณ์นั้นนั้น ขั้นที่สามเมื่อได้พบความหมายนั้ น, น, นแล้วจึงเลือกเฟ้นเอาความเข้าใจบางประการจากความหมายเหล่านั้นลงในความจำในตอนหลั ง, ลงและเมื่อได้รับความหมายเพิ่มเติมเข้ามาอีกในการต่อมาก็เริ่มจัดระเบียบและขยายความหมายนั้ น, น, นออกไปแยกเก็บไว้ในความจำเพื่อนำออกมาใช้ในเมื่อต้องมีเหตุการณ์ให้ระลึกถึงดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ก่อนที่เราจะจดจำอะไรได้เราควรจะได้มีความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่จะจดจำนั้นเสียก่อนการใช้สมองค้นหาความหมายเป็นความจริงที่ว่าเราจะได้รับความหมายดีขึ้นกว่าปกติถ้าหากว่าเราสามารถจะควบคุมตัวเองให้ทำการค้นหาความหมายนั้นๆอย่างกระตือรือร้นแต่ก็ปรากฏว่าน้อยคนเหลือเกินที่จะปฏิบัติได้เช่นนั้นเสมอเป็นประจำจนกลายเป็นธรรมชาติ เพื่อความก้าวหน้าในการงานเพื่อให้เกิดความจำที่มีประสิทธิภาพจงเตือนตัวของคุณเองไว้เสมอว่าจงคิดจงสแสวงหาความหมายด้วยการถามตนเองด้วยคำถามที่ต้องใช้ความคิดในการตอบถ้าแม้คุณฝึกเช่นนี้ได้ตลอดไปอย่างสม่ำเสมอจนกว่าสมองของคุณจะทำหน้าที่ในการค้นคว้าของความหมายจนกลายเป็นนิสัยประจำตนได้แล้วคุณจะเป็นหนึ่งที่มีความทรงจำอันมีประสิทธิภาพ จงพยายามเข้าใจในสิ่งที่จะจำนั้นให้ดีเสียก่อนแล้วสมองจะจดจำไว้ได้เองทั้งจะเป็นความจำที่มีประสิทธิภาพลืมได้ยากแต่ทว่าง่ายต่อการที่จะนึกมาใช้ในเมื่อต้องการหลายท่านอาจสงสัยว่าปัญหาชนิดใดบ้างเล่าที่ช่วยปลุกให้สมองของเราใช้ความคิดดังกล่าวนั้นข้าพเจ้าขอตอบว่าจงถามตัวเองด้วยคำถามที่ถูกต้อง การตั้งคำถามที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นควรจะเป็นคำถามด้วยจุดประสงค์ที่จะพาตัวของเราเองไปสู่การค้นหาความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กว่าที่คุณเข้าใจพื้นๆอยู่แล้วการตั้งคําถามที่เหมาะสมจะทําให้คุณได้ทราบความหมายบางประการมากยิ่งขึ้นและเป็นความจริงตามธรรมชาติที่ว่าถ้าคุณยิ่งรู้สิ่งใดเรื่องใดมากขึ้นก็ย่อมเป็นการง่ายต่อการที่คุณจะตั้งคําถามขยายต่อไปได้มากขึ้นซึ่งที่จะให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ถูกต้องตรงกับความหมายอันแท้จริงคําถามที่ว่าสิ่งที่เราทํานี้ เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิ่งอื่นอย่างไรหรือคําถามที่ว่าสิ่งนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างเหล่านี้นับว่าเป็นคําถามที่นับได้ว่าถูกต้องเหมาะสมสําหรับผู้เริ่มต้นเป็นการถามที่มีประโยชน์ในการแยกสิ่งที่ไม่มีค่าออกจากสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการจําเพื่อป้องกันไม่ให้ความจําของคุณเสื่อมประสิทธิภาพการอ่านหนังสือประเภทตําราที่ควรค่าแก่การจดจํา และเมื่ออ่านพบข้อความใดที่มีค่าควรแก่การจดจำแล้วขีดเส้นใต้ไว้เช่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นการช่วยปรับปรุงความจำของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน ในการศึกษาวิชาประเภทเครื่องยนต์นกลไกต่างๆนั้นการที่เราคิดปัญหาถามตนเองว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรสิ่งนั้นใช้ประโยชน์ได้ในทางใดบ้างหรือเราจะใช้สิ่งนี้ทำประโยชน์อื่นใดได้อีกบ้างเหล่านี้ล้วนและแต่เป็นคำถามที่จะช่วยให้เราต้องใช้สมองคิดค้นหาคำตอบที่ถูกต้องทั้งในรายละเอียดและเหตุผลจึงนับว่าเป็นคำถามที่เหมาะสมทั้งสิ้น นอกจากนั้นคำถามทำนองดังกล่าวนั้นยังอาจจะช่วยทาให้เราคิดค้นสแสวงหาความหมายใหม่ๆมาทดแทนความหมายเก่าๆที่คล้ายคลึงกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในทางประดิษฐ์และจดจาไว้เพื่อนำไปใช้ในการค้นคว้าในโอกาสต่อไปอีกด้วยคำถามที่ว่าเราจดจำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้าง ก็เป็นคำถามที่จะให้คุณแสวงหาความหมายที่คล้ายคลึงกันและจัดลำดับความหมายนั้นให้เป็นระเบียบเพื่ออาจนำไปใช้เป็นหลักทั่วไปได้เป็นอย่างดีคำถามอีกอันหนึ่งที่ควรจะได้พยายามในการปรับปรุงความจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้แก่การตั้งคำถามที่ว่าเราจะอธิบายเรื่องนี้ให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าคาถามข้างต้นนี้มีความสาคัญ ก็เพราะเป็นคำถามที่ถือได้ว่าเป็นการทดสอบความจำของเราเองเพื่อให้เห็นว่าความจำนั้นมีประสิทธิภาพเช่นไรและเมื่อมีความจำหรือความคิดนั้นๆเรามีความเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วนั้นเราจะสามารถในการนำมาเล่าหรืออธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างไรจึงจะให้คนเหล่านั้นเข้าใจชัดเจนคำตอบต่อคาถามข้อนี้ก็คือ จงพูดทบทวนความจำและความหมายของสิ่งที่จะจำนั้นออกมาหลายๆครั้งจะเป็นการพูดกับตัวเองหรือพูดอธิบายให้คนอื่นฟังก็ได้ในระยะแรกๆคุณอาจจะต้องพบกับความยุ่งยากในการพยายามดังกล่าวคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความมานะพยายามพอสมควรแล้วในที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จความล้มเหลวในความจำ ในขณะที่เราสามารถจะรื้อฟื้นความจำขึ้นมาใช้ได้เมื่อเราต้องการนั้นความจำก็อาจสูญหายไปได้ในบางครั้งถ้าหากว่าเราได้รับความตกใจอย่างสุดขีดและอย่างฉับพลันทันทีเราได้เคยได้ยินมามากในกรณีที่ความจำของมนุษย์เราถูกปิดกั้นไว้ไม่อาจจะนำเอาออกมาใช้ได้ตามต้องการเช่น คนที่ประสบอุบัติเหตุได้รับความตกใจถึงกับช็อกนั้นอาจจะทำให้ความจำทั้งหลายของเขาถูกฝังลึกลงไปในความสิ้นสตินั้นและแล้วในที่สุดเขาก็ลืมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เกิดขึ้นแกเราเสียสิน้นจนกว่าจะได้รับการเยียวยารักษาอย่างถูกวิธีแล้วนั่นแหละความจำทั้งหลายจึงจะกลับคืนมาสู่เราอีกครั้งหลังจากสติสัมปชัญญะได้กลับคืนมาแล้วนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีโรคบางชนิดที่ทำให้เราต้องประสบกับความล้มเหลวในเรื่องความจำอีกเช่นโรคหลงลืมโรคหลงลืมหรือสูญเสียความจำในอดีตนี่แหละที่บรรดานักสร้างภาพยนตร์ถือเอาเป็นหัวข้อเรื่องที่จะกอบโกยเงินทองมาสู่บริษัทผู้สร้างอย่างมหาศาลข้าพเจ้าคิดว่าคุณคุณทั้งหลายก็คงจะเคยชมภาพยนตร์อันมีเขาโครงเรื่องเกี่ยวกับคนที่สูญเสียความจำในอดีตอย่างสิ้นเชิงมาแล้ว การสูญเสียความจำในอดีตอย่างสิ้นเชิงนี้เป็นผลมาจากการตกใจอย่างสุดขีดหรือการได้รับอุบัติเหตุสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักและฉับพลันทันทีจนเกิดช็อกซึ่งปกติในภาพยนตร์ที่เราได้ชมมักเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการสงครามซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างฉับพลันจนถึงช็อกแล้วเขาจะสูญเสียความทรงจำอย่างสิ้นเชิงเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเกิดการช็อก ถ้าไม่สามารถจะระลึกถึงเหตุการณ์นั้นๆได้เมื่อพลิกฟื้นคืนสติขึ้นมาเพราะเป็นความจริงที่ว่าเขาจะลืมแม้กระทั่งชื่อและนามสกุลของเขาเองลืมที่เกิดของเขาลืมคนทุกคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเขามาตลอดชีวิตในการแก้ไขส่วนมากมักจะกระทําด้วยการรักษาทางระบบประสาทและพาเขากลับไปสู่ถิ่นที่พำนักอาศัยเดิมของเขาเพื่อที่จะให้เขาได้พบกับคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อนหวังจะให้เขาได้ระลึกได้ถึงใบหน้าของคนเหล่านั้น รึกได้ถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่าแต่ส่วนมากแล้วไร้ประโยชน์เสียเวลาเปล่าเขาจำอะไรไม่ได้สมองในช่องความจำของเขาไม่ยอมทำงานสมองช่องความจาของเขาขนานั้นกลับกลายเป็นช่องที่ว่างเปล่าไม่มีความจำอันใดเหลืออยู่เลยบุคคลที่ต้องกลายเป็นคนสูญเสียความทรงจำในอดีตเหล่านี้ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ เขาเปรียบเหมือนคนที่ถูกตัดขาดจากทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องอยู่กับเขาก่อนหน้านั้นและนอกจากการสูญเสียความจำในอดีตแล้วบุคคลดังกล่าวนี้คงมีสภาพปกติทุกอย่างดังคนธรรมดาเขามีความสามารถทำงานได้ พูดจาได้เหมือนกับคนธรรมดาสามัญเขาทําได้แม้แต่จะแต่งงานใหม่กับหญิงคนใหม่ที่เขารักและได้พบภายหลังที่เขาสูญเสียความจําในอดีตอย่างสิ้นเชิงแล้วและข้อนี้เองที่นักสร้างภาพยนตร์มักจะหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวเรื่องสร้างภาพยนตร์เพื่อให้เรื่องมันยุ่งยากสับสนในการที่เขาลงลืมภรรยาเก่าของเขาเสียสิ้นเขาไม่สนใจไม่ว่าภรรยาคนแรกของเขาจะดําเนินชีวิตอย่างไรต่อไปหรือไปมีสัมพันธ์สวัสดกับใครวันคืนผ่านไปเป็นเดือนและเป็นปี อาจจะเป็นเวลาหลายๆปีจนกระทั่งเขาไปประสบอุบัติเหตุอย่างแรงจนถึงช็อกไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อเขาได้รับการเยียวยาจนได้สติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มักปรากฏวงเล็บเปิดในภา พ, พยนตร์วงเล็บปิดว่าเขากลับมีความคิดแจ่มใสสมองในช่องความจําทํางานตามปกติเขากลับจําเรื่องราวในอดีตที่สูญเสียไปแล้วนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับลืมเหตุการณ์ใหม่ๆ ใ, ในระหว่างที่เขากระทําไปในขณะสูญเสียความทรงจําเสียสิน้น เรล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆและก็เป็นนิยายที่เมื่อเอามาสร้างภาพยนตร์แล้วก็ได้รับความนิยมทำเงินได้หลายล้านบาทโรคลืมการเคลื่อนไหวโรคชนิดนี้ยังไม่มีชื่อเฉพาะที่จะใช้ในภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมเป็นโรคที่คล้ายกับโรคสูญเสียความทรงจาที่กล่าวมาแล้วแต่เป็นการสูญเสียความทรงจาที่มีความพิเศษไปจากชนิดแรกบุคคลที่เป็นโรคอพัศินี้ จะสูญเสียความฉลาดขาดชาวปัญญาที่เคยมีอยู่เดิมแม้ว่าระบบ ป, ประสาทสมองหรือประสาทกล้ามเนื้อของเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุใดๆเลยก็ตามแต่มันก็ไม่อาจทำหน้าที่ได้ตามปกติเขาต้องทนทุกข์ทรมานด้วยการที่เกิดมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามระเบียบตามธรรมชาติของมนุษย์เขาไม่อาจจะออกคาสั่งให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทาหน้าที่ตามที่เขาปรารถนา เช่นในบางรายกลายเป็นคล้ายคนใบใ้พูดไม่ได้ทั้งๆที่ต้องการจะพูดบางคนเคยเล่นเทนนิสแต่กลับเล่นไม่ได้ทั้งๆที่อยากจะเล่นซึ่งทั้งนี้เป็นเพราะเขาลืมเขาไม่อาจจะระลึกได้ว่าเขาจะเคลื่อนไหวมือของเขาได้ด้วยวิธีใดบางคนไม่รู้ว่าจะเคลื่อนไหวลิ้นด้วยวิธีใดในรายที่เป็นโรคอาราซิสนั้น คนไข่มักลืมการกระทำต่างๆที่ตนเคยทำมาแล้วร้อยอย่างพันอย่างหรือสิ้นเชิงสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของเขาหยุดชะงักไม่ทำงานขาดการควบคุมโรคอกโนซิสคนป่วยที่เป็นโรคนี้จะพบว่าเขาไม่สามารถจะจดจำวัตถุที่เขาได้แลเห็นเสียงที่เขาได้ยินถ้อยคำที่เขาเคยได้ยินหรือได้อ่านพบในหนังสือต่างๆได้เลยเขาคงมีเพียงแต่ความรู้สึกแต่ขาดสมรรถภาพในการจดจำสิ่งที่ได้รู้สึกสัมผัสนั้นๆ ข้าพเจ้ายังหาคำที่เหมาะในภาษาไทยที่จะใช้กับโรคนี้ไม่พบจึงต้องขอใช้ทับศัพท์ไปพลางก่อนโรคแอ็กซินอซิสนั้นนอกจากพบในผู้ป่วยอาจแยกได้เป็นสองชนิดคือแทคกไทยแอ็กนซิส ในรายเช่นนี้คนป่วยไม่อาจจะจําได้นานหลังจากที่เขาได้แลเห็นรูปร่างของวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในมือของเขาว่ามันมีลักษณะเช่นไรและแม้จะในขณะที่ในวัตถุนั้นอยู่ในมือของเขาก็ไม่อาจจะบอกได้ว่าวัตถุนั้นมีลักษณะกลมหรือแบนหรือเป็นเหลี่ยมอย่างใดเขาอาจจะกำวัตถุอยู่ในมือจนแน่นแต่ไม่อาจจะรู้สึกได้ว่าวัตถุที่เขากำนั้นมีลักษณะอย่างไรวิชวลแอฟโนซิสคนไข้ที่อยู่ในอาการของโรคนี้จะมีลักษณะที่ว่า เขาจะแลเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนแต่เขาไม่อาจจะจำได้นานหลังจากเห็นแล้วว่าเขาได้แลเห็นอะไรทางนี้ก็เพราะสมองในช่องความจำของเขาไม่ทำงานตามปกติลักษณะอื่นๆของโรคสูญเสียความทรงจำต่อไปนี้คือลักษณะทั่วไปของคนที่เป็นโรคสูญเสียความทรงจำในขณะที่มีเหตุการณ์อื่นๆติดตามเหตุการณ์อันแรกขึ้นมา คนที่เป็นโรคสูญเสียความทรงจำจะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงและเป็นการลืมสิ้นอย่างรวด เ, เร็วดูคล้ายกับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่สมองบันทึกลงไปนั้นเปรียบได้กับการเขียนลงไปบนแผ่นกระดานดำและแล้วก็ถูกลบไปด้วยฟองน้ำอย่างฉับพลันทันทีไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในความทรงจำเลยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถูกเก็บไว้ในช่องความจำของสมองแต่แล้วมันก็ผ่านสูญหายไปอย่างรวด เ, เร็วเช่นกันลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่า เอ็นเทโรเกสเอนเนเียคนไข้จะลืมเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของเขาโดยสิ้นเชิงเหตุการณ์ส่วนใหญ่ในชีวิตก่อนที่เขาจะเกิดเป็นโรคนี้นั้นดูเหมือนจะสูญหายไปจากความทรงจําโดยสิ้นเชิงคนไข้ที่มีอาการชนิดเรียกว่าเรโทรเกสเอนเนเซียคนไข้ลืมเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาทั้งสองในชีวิตของเขาช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดโรคหลงลืมนี้ขึ้นก่อนการป่วยอย่างแท้จริงกล่าวคือ ในช่วงนั้นคนไข้มักจะทำอะไรลงไปในทางรุนแรงร้ายกาจแต่แล้วต่อมาเขาก็ลืมสิ้นไปว่าเขาได้กระทำอะไรลงไปลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าเลคูเนรีแอมเนเซียเหตุการณ์ต่างๆที่ล่วงมาแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตของคนไข้ดูเหมือนจะบินจากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยของความทรงจำไว้แม้แต่น้อยคนไข้ไม่อาจจะนึกไม่ว่าจะด้วยใช้วิธีเทคนิคใดๆก็ตามทีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอินเทอร์เรชันแอมเนเซีย คนไข้ไม่อาจจะระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างซึ่งได้เกิดขึ้นในอดีตแม้ว่าเขาต้องการและพยายามจะนึกก็ตามในกรณีเช่นนี้เรามักจะกล่าวกันว่าเป็นคนใจลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสาเหตุอาจเกิดจากทางจิตก่อนในหลายกรณีทีเดียวที่มักจะปรากฏว่าอาการสลบหรือไม่ได้สตินั้นเป็นเครื่องขวางกั้นความทรงจำเอาไว้ซึ่งอาจจะเป็นความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนั่นเองที่ออกมาบังคับความจำเสีย คนไข้หลงลืมสิ่งได้เกิดขึ้นเพียงเมื่อครู่นี้โดยความทรงจำค่อยๆจางหายไปแต่แล้วในเวลาต่อมาอาจนึกได้ก็ได้การหลงลืมได้เริ่มต้นขึ้นจากเรื่องในชีวิตปัจจุบันของคนไข้แล้วย้อนไปถึงชีวิตในวัยเด็กของตนด้วยดังนั้นในลักษณะเช่นนี้ความทรงจำในวัยเด็กของคนไข้นั้นจะเป็นความจำสุดท้ายที่คนไข้จะลืมวงเล็บเปิด ความหลงลืมอันเกิดจากวัยชาราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้คือลืมเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นก่อนลืมเรื่องความหลังครั้งเยาวไววงเล็ปิดเมื่อเหตุนี้เราจึงมักจะพบว่าบุคคลที่อยู่ในวัยชาราจึงมักจะชอบเล่าเรื่องการผจญภัยในวัยเด็กของเขาให้ลูกหลานฟังได้อย่างแม่นยำจำได้แม้กระทั่งเพลงที่เขาได้เคยร้องเมื่อเด็ก บางคนแม้จะหลงลงลืม ล, มลืมในเหตุการณ์ปัจจุบันแต่กลับปรากฏว่ายังเล่นไพ่ได้เก่งจำไพ่ในมือได้แม่นยำถ้าหากว่าเขาชอบเล่นไพ่มาตั้งแต่เด็กๆคนไข้สูญเสียความสามารถในการพูดการหลงลืมชนิดนี้เป็นเพราะคนไข้ลืมหลักไวยากรณ์ลืมส่วนต่างๆของคำพูดเสียสิน้นกล่าวคือเขาลืมความหมายของคานามลืมคาคุณศัพท์ลืมคากริยา ไม่รู้ว่าคำใดใช้อย่างใดตลอดจนลืมความหมายของคำพูดต่างๆว่ามีความหมายกระไรการลืมเหล่านี้ได้ทำให้เขารืมวิธีพูดจาโดยอัตโนมัติการกดดันภายในการกดดันนี้ไม่ใช่โรคเกี่ยวกับความจําโดยตรงหากแต่เป็นประหนึ่งเครื่องกลไกที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจอันทาให้คนไข้ลืมสิ่งที่เป็นอยู่อย่างแท้จริงในขณะนั้นเสียสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นในขณะที่คนไข้มีสติรู้ผิดชอบนั้นได้ถูกปฏิเสธที่จะรับรู้ที่จะจดจำโดยแรงกระตุ้นชนิดหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกแห่งบุคลิกภาพของคนไข้นั้นๆตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดการกระตุน้นซึ่งทำให้มนุษย์เรารู้จักเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายรู้จักพูดคำพูดที่ถูกต้องมีความหมายรู้จักใช้ความคิดค้นคว้าหาเหตุผลและอื่นๆ ขอให้คุณมาพิจารนากันถึงเรื่องสัญชาตญาณของมนุษย์อันเกี่ยวกับการมารมลองคิดดูว่าในบางครั้งบางคราวได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากแรงกระตุ้นเตือนซึ่งคุณไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดการแย้งกันระหว่างความรู้สึกในทางเลวกับความมีศีลธรรมจรยาของคนไข้เช่นการขัดแย้งเพราะเหตุผลทางาศาสนาความรู้สึกภายในครอบครัวและอื่น ถ้าความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ผู้ใดและถ้าเราขาดความมีสติที่จะต่อสู้กับแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจนั้นแล้วก็ย่อมจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้นั้นได้ง่ายข้าพเจ้าได้เคยพบเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งได้ถูกแรงกระตุ้นอย่างแรงกล้าให้เธอเกิดความรู้สึกเกลียดชังพ่อของเธอเองท้งนี้ได้ความว่า เพราะพ่อของเธอเป็นคนเข้มงวดกดขันในศีลธรรมจริยามักจะห้ามไม่ให้เธอทําอะไรผิดๆซึ่งขัดกับความต้องการของเธอและเธอไม่มีทางโต้แย้งเพราะเป็นลูกเธอต้องถูกกดดันอยู่ตลอดมาเป็นเวลานานจึงทําให้เกิดแรงกระตุ้นโดยไม่ตั้งใจให้เธอรู้สึกเกลียดพ่อของเธอเองเป็นความจริงที่ว่าเด็กสาวนั้นไม่รู้เลยว่าเธอได้ถูกแรงกระตุ้นจากส่วนลึกภายในให้เธอรู้สึกเกลียดพ่อของเธอทีละน้อยทีละน้อยเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับ ติดต่อกันมาเป็นเวลานานปีนับตั้งแต่เธอถูกจับให้อยู่ในกรอบของศิลธรรมจรญยาอันดีงามอย่างไรก็ดีความรู้สึกเกลียดชังอันเกิดจากแรงกระตุ้นภายในนี้เมื่อเวลาผ่านไปและมีเหตุอื่นใดมาทำให้เธอรู้สึกดีใจเพราะได้รับการตามใจจากพ่อของเธอแม้สักครั้งเดียวแล้วความเกลียดที่มีอยู่ก็จะสูญหายไปอย่างฉับพลันเธอจะลืมมันสนิท ดังนั้นเราจะต้องพยายามแก้ไขเมื่อรู้สึกว่าถูกกดดันจงขจัดความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นเตือนในทางเลวโดยไม่รู้สึกตัวให้มันมาลายไปในขณะเดียวกันก็พยายามช่วยความมีสติรู้ผิดรู้ชอบเพิ่มมากขึ้นการลืมเพราะถูกอํานาจกดดันนี้มีผลเสียหายร้ายแรงหรือต่อข้อถามนี้ข้าพเจ้าขอตอบว่ามีผลเสียหายร้ายแรงมากทีเดียวเพราะเมื่อเราถูกกดดันเป็นเวลานา น, านๆอาการของโรคร้ายต่างๆ ก็จะโบยบินมาสู่เราทันทีเช่นโรคประสาทเมื่อเกิดเป็นโรคประสาทจะทําให้ความคิดความรู้สึกผิดชอบของคุณวุ่นวายไม่เป็นระเบียบทําให้คุณมีความคิดเลื่อนเปื้อนความทรงจําเสื่อมซามจึงควรจะระมัดระวังให้จงหนักความเปลี่ยนแปลงอื่นๆเกี่ยวกับความจําความรู้สึกที่ว่ามันได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วความรู้สึกเช่นว่านี้อาจเกิดขึ้นแก่คนที่มีความทรงจําอันเลือนลางเป็นความรู้สึกของคนครึ่งหลับครึ่งตื่น มักจะเกิดขึ้นแก่คนที่หลับไปเพราะอำนาจของยาที่มีฤทธิ์ของโคโรฟอร์มหรืออีเซอร์ซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้วว่าคนไข้ที่หลับไปเพราะการให้ยาดังกล่าวสามารถจะระลึกถึงความจริงต่างๆที่ก่อนได้รับให้ยานี้เขาได้ลืมจนสิ้นแล้วลืมแม้ภาษาพูดในท้องถิ่นที่เขาอยู่และเคยพูดได้มาตั้งแต่เด็กๆ เ, เมื่อแพทย์ให้ยาประเภทดังกล่าวเขากลับจำเรื่องราวและภาษาพูดเหล่านั้นได้อีกครั้ง และพูดออกมาในลักษณะของคนละเมอตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งหลับไปเพราะการให้ยาสลบเมื่อทำการผ่าตัดนั้นได้เริ่มต้นพูดถึงเรื่องจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาได้เอาไปเก็บไว้ในที่ที่โดยปกติเขาได้พยายามค้นหาเท่าไรก็ไม่พบจนเลิกกลมความตั้งใจที่จะหามาหลายปีแล้วและเมื่อแพทย์ได้ค้นตามที่เขาพูดออกมาขณะหลับนั้นก็ปรากฏว่าพบจดหมายนั้นจริง โฮมัสเดอควินเซนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งก็ได้เคยกล่าวหลังจากการทดลองกินยาประเภทนี้เข้าไปแล้วว่ามันดูคล้ายกับว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในคืนหนึ่งเมื่อประมาณร้อยปีมาแล้วเหตุการณ์ที่เกือบจะไม่มีความสำคัญแก่การจดจำในวัยหนุ่มของข้าพเจ้าอันหนึ่งก็ได้กลับคืนมาอยู่ในความทรงจาของข้าพเจ้าซึ่งจาได้อย่างละเอียดละออเสียด้วยดังนั้นจึงพิสูจน์ใหเห็นว่า สิ่งต่างๆที่คุณได้จดจำลงไปในสมองช่องความจำของคุณแล้วนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนเลยคงอยู่ในสมองแต่ทว่ามันอยู่ลึกลงไปและถูกสิ่งที่เราจำเข้าไปใหม่ๆทับไว้จนไม่อาจจะผุดขึ้นมาได้ความจาสับสนอดีตอนาคตคนไข้ที่เป็นโรคความจำเสื่อมบางคนมักจะคิดว่าอดีตคือปัจจุบันในเรื่องความคิดสับสนบระหว่างอดีตกับปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าทุกๆคน อย่างน้อยก็คงได้ประสบกับตนเองมาแล้วเข้าสักครั้งหนึ่งอ๋อก็ในความฝันยังไงล่ะในระหว่างการนอนหลับสนิทในเวลากลางคืนเรามักจะฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตหรือเหตุการณ์อันเนื่องมาจากอดีตของเราอย่างน้อยก็สักสองสามเรื่อง แต่แล้วเรากลับคิดว่าเรากำลังทำสิ่งเหล่านั้นหรือเกี่ยวข้องอยู่กับเหตุการณ์นั้นในปัจจุบันและในรายที่ร้ายยิ่งกว่าฝันก็คือคนที่ฝันและละเมอไปตามเรื่องราวที่ตนฝันนั้นเช่นเดียวกับคนที่ถูกสะกดจิตซึ่งคุณคงจะได้เคยพบคนที่เดินละเมอลงจากเตียงนอนไปตามห้องต่างๆบางคนไปทํโน่นทํานี่ทั้งๆที่ยังหลับอยู่เหล่านี้เกิดจากความจาที่สับสนเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันเขาถูกเล่นตลกโดยความจาของเขาเอง หลายคนอัจถามว่าเหล่านี้จะเรียกว่าความจําได้หรือขอตอบว่าเรียกได้ว่าเป็นความจําแต่ทว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่สมบูรณ์ทําไปโดยขาดสติขาดความรู้สึกสํานึกในความรับผิดชอบคนที่มีความจําสับสนประเภทนี้อาจเกิดอันตรายได้ง่ายเช่นได้เคยปรากฏมาแล้วว่าบางคนละเมอถือมีดเดินไปฆ่าคนที่นอนอยู่ในห้องข้างเคียงหรือบางคนเดินละเมอแล้วพลาดตกบันไดเสียชีวิตดังนั้น จึงควรระมัดระวังให้มากการบำรุงเสริมสร้างความจำย่อมเป็นการแน่นอนที่ว่าคุณคงไม่พยายามที่จะติดเครื่องยนต์ของคุณในขณะที่เครื่องยนต์ขาดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อยฉันใดก็ฉันนั้นความทรงจำที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพของมนุษย์เราก็ย่อมขึ้นอยู่กับสมองที่อยู่ในสภาพดีเช่นกล้ามเนื้อทุกส่วนจะต้องอยู่ในสภาพ พ, พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติธรรมดา ก็เมื่อเครื่องยนต์ดับเรายังต้องตรวจดูว่าเกิดจากอะไรและเมื่อพบว่าน้ํามันหมดเราก็ยังต้องจัดการเติมน้ํามันให้เพียงพอและต้องเป็นน้ํามันชนิดที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดังนี้แล้วเหตุไฉนเราจึงไม่เติมอาหารหรือสิ่งจําเป็นในการบํารุงเลี้ยงให้แก่สมองของเราเพื่อช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพของความทรงจําให้ดีขึ้นและดีอยู่ตลอดไปเครื่องกลไกภายใต้กระโหลกศีรษะ สมองของมนุษย์เรานั้นก็คือโรงงานอุตสาหกรรมที่แออัดกันอยู่เหมือนรังพึ่งซึ่งจะต้องระมัดระวังให้ปฏิบัติงานด้วยความนุ่มนวลไม่หักโหมความจริงสมองเป็นอวัยวะที่ประหลาดและน่าทึ่งในความสามารถในการปฏิบัติงานมากเพราะทุกๆวินาทีสมองจะบันทึกภาพความคิดรอยพิมพ์ใจลงไปอย่างแออัด สมองของมนุษย์จะสั่งการให้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านหูผ่านสายตาของเราลงไว้ในสมองช่องความจำซึ่งมีเนื้อที่เพียงจำกัดและเมื่อบันทึกลงไปแล้วก็จะคงไว้ในช่องความจำต่อไป ขอให้เราลองหลับตามองภาพการทำงานของสมองกันเถิดว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่เกือบไม่น่าเชื่อในการที่อวัยวะขนาดเล็กเท่านั้นจะสามารถเก็บความรู้สึกต่างๆภาพต่างๆเสียงคำพูดและอื่นๆลงไปได้หมดสิน้นสมองได้ปฏิบัติหน้าที่นี้มาตั้งแต่เรายังอยู่ในวัยเด็ก450กัลอนในเวลา24ชั่วโมง ถ้าคุณขับรถยนต์นั่งขนาดธรรมดาของคุณไปด้วยความเร็วสูงสุดตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดพักเลยแล้วคุณจะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ450กันลอนคุณจะไปได้โดยปราศจากเสียงรบกวนของเครื่องยนต์ที่ยังไหม่เอี่ยมไม่มีการหยุดและไม่ต้องมีการซ่อมแซมและถ้าเปรียบกับร่างกายของมนุษย์เราแล้วจำนวนโลหิตประมาณ 3,500 ปจะไหลเวียนสมองของเราในระหว่างเวลาทุกๆ24ชั่วโมง ตลอดเวลาสมองของมนุษย์จะปฏิบัติงานต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีเวลาพักผ่อนแม้ในขณะหลับโลหิตและสมองสมองปฏิบัติงานได้ก็โดยอาศัยการหล่อเลี้ยงของโลงหิตเช่นเดียวกับเครื่องยนต์ปฏิบัติงานได้ก็โดยอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดเวลา24ชั่วโมงโลงหิตจะไหลเวียนผ่านสมองคิดเป็นจำนวนไปแล้ว จะตกประมาณ400อยเท่าของจำนวนโลหิตทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายของเราและการไหลเวียนของโลหิตผ่านสมองนั้นดำเนินอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดชั่วอายุของมนุษย์เราซึ่งถ้าจะกะประมาณแล้วก็อยู่ในราว5 0 0แสนชั่วโมง ตลอดระยะ500 0ชั่วโมงนี้โรงงานขนาดมาหือมาซึ่งปฏิบัติงานอย่างเงียบกริบไม่ได้ยินเสียงเดินของเครื่องจักรดังสนั่นเหมือนโรงงานธรรมดาจะได้รับเอาเข้าไว้และปล่อยออกไปซึ่งความรู้สึกนึกคิดต่างๆนับล้านสมองจะต้องทำหน้าที่ควบคุมเก็บงำและส่งออกมาซึ่งความจำเหล่านั้นเมื่อเราต้องการใช้แม้ภายหลังการจาตั้ง 20-30 ปีก็ตามดังนั้นถ้าเราจะสร้างสมองอิเล็กทรอนิก โดยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานดังสมองธรรมชาติของมนุษย์แล้วเราก็ต้องสร้างให้มีขนาดมหึมามีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า10ตันด้วยเหตุนี้สมองจึงต้องการอาหารหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพออาหารที่จำเป็นแก่สมองนั้นส่วนใหญ่ได้แก่แคลเซียมและฟอสฟอร์ซึ่งเราจะหาได้ในอาหารที่เราบริโภคกันอยู่เป็นประจาเป็นความจริงที่ว่าในปัจจุบันนี้เราสามารถจะหาแคลเซียมและฟอสฟอร์ ได้จากยาประเภทบำรุงที่มีเข้ามาจำหน่ายอย่างดาดดืนและก็โปรดระวังยาบางชนิดอาจให้ผลเสียได้เช่นกันดังนั้นการซื้อยาทุกชนิดควรจะต้องให้แพทย์ตรวจและสั่งให้ดีกว่าจะทดลองใช้ด้วยตนเองอย่างไรก็ตามถ้าหากคุณไม่ต้องการใช้อาหารประเภทแคลเซียมและฟอส ฟ, ฟอร์แก่ร่างกายด้วยการใช้ยาต่างๆแล้วคุณก็อาจจะหาได้จากอาหารต่างๆที่คุณบริโภคอยู่เป็นประจาวัน อาหารเหล่านั้นบางอย่างมีแคลเซียมและฟอสฟอร์ด อ, อย่างพอเพียงถ้าเราจะได้กินให้ได้ส่วนสัดกับความต้องการของร่างกายและถ้าจะให้ได้ผลในการบำรุงสมองอย่างแท้จริงแล้วคุณควรจะกินอาหารประเภทที่ให้วิตามินดีด้วยสักเล็กน้อย จากการที่จะได้ทราบแล้วว่าสมองของเราต้องการบารุงด้วยแคลเซียมและฟอสฟอร์ดและวิตามินดีดังนั้นเราก็อาจบารุงเลี้ยงสมองเพื่อปรับปรุงความจำของเราได้ด้วยการช่วยเหลือจากอาหารประเภทดังกล่าวต่อไปนี้นมนมจัดได้ว่าเป็นอาหารประเภทหลักมูลที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมากแม้ว่าจะให้แคลเซียมเพียงเล็กน้อยก็ตามทีมีคนบางคนไม่ชอบกลิ่นคาวของนม ถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราก็จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยการใช้นมผงผสมกับอาหารอื่นๆแทนการดื่มน้ำนมอย่างเดียวโดยเฉพาะในนมผงนั้นเราจะได้ทั้งแคลเซียมและฟอสฟอร์ตอย่างพอเพียงเนยมีส่วนผสมที่ให้คุณแก่ร่างกายและช่วยในด้านบำรุงเลี้ยงความจำอย่างมากประเภทหนึ่งอาหารที่ประกอบด้วยข้าวสาลีอาหารที่ประกอบด้วยข้าวสาลีนี้จัดว่าเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงสมองชั้นดีเยี่ยม เพราะอุดมด้วยฟอสฟอร์แคลเซียมวิตามินและแมกนีเซียมวงเล็บเปิดโดยเฉพาะแมกนีเซียมมีประโยชน์มากในบุคคลที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำและประสาทเหนื่อยเพลียวงเล็บปิดอาหารประเภทปลาเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงสมองที่ดีเลิศไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ในการบำรุงประสาทสมองมากโดยเฉพาะไข่แดงเม็ดอัลมันแพดอนนัทเหล่านี้ นอกจากจะนิยมเป็นของแกล้มสุราและเบียร์แล้วยังให้ประโยชน์อย่างมากในการบำรุงประสาทสมองช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมีแคลเซียมและฟอสฟอร์ตมากแต่ขอเตือนให้ระมัดระวังในการย่อยให้มากจงเคี้ยวซ้ำๆให้ละเอียดก่อนจะกลืนและควรจะกินก่อนลงมือกินอาหารระวังอย่า ก, กินอาหารประเภทนี้มากเกินไปในเวลากลางคืนอาหารประเภทที่ควรหลีกเลี่ยง ในขณะเดียวกับที่คุณเลือกกินอาหารประเภทที่บำรุงสมองนั้นคุณก็จะต้องระวังงดเว้นอาหารบางชนิดที่จะเข้าไปทำลายแคลเซียมให้เสียไปโดยไร้ประโยชน์ด้วยอาหารเหล่านั้นได้แก่อาหารที่มีกรดมีด่างซึ่งคุณจะต้องงดเว้นโดยเด็ดขาดอาหารเหล่านี้ได้แก่อาหารที่มีไขมันมากๆเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่มีมันติดมากๆควรงดเว้นน้ำตาลควรกินแต่พอควรเพราะน้ำตาลให้กรดและติกมาก ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวและอาหารอื่นๆที่ให้กรดเปรี้ยวจัดเช่นน้ำสม้มแมกนีเซียมมีความสำคัญเพียงไรแมกนีเซียมมีความสำคัญเป็นอันดับสองรองลงมาจากแคลเซียมและฟอสฟอรัสและเป็นอาหารที่มีความจำเป็นแก่สมองโดยเฉพาะเพื่อความเจริญงอกงามของสมองในช่องความจำดังนั้นถ้าคุณต้องการจะให้ความจำสุดใสมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดไปแล้วจงกินอาหารที่มีแมกนีเซียมมากพอสมควรได้แก่เกลือเม็ด ผักสดและผลไม้สดที่มีสีเขียวช็อกโกแลตแต่กินเพียงพอประมาณจะช่วยในการบำรุงประสาทสมองได้มากเพราะมีทีโอไบรามายอยู่มากวิตามินโดยเหตุที่เรากำลังพูดกันถึงในเรื่องบำรุงสมองเพื่อเสริมสร้างความจำให้มีประสิทธิภาพดังนั้นข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงเฉพาะวิตามินบรวมและวิตามินดีเท่านั้น วิตามินบีรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินบีสินั้นช่วยให้สมองแจ่มใสและมีความจำที่สดใสมีประสิทธิภาพในการจำยาวนานวิตามินบี2นี้เราจะได้จากอาหารต่างๆดังกล่าวมาแล้วอย่างเพียงพอโดยเฉพาะมีมากในข้าวยีสต์ถั่วต่างๆส่วนวิตามินดีนั้นเราจะได้จากอาหารประเภทเนยและมาการีนซึ่งให้ฟอสฟอร์และแคลเซียมมากเช่นกันการบำรุงความจำเมื่อใกล้จะสอบใล่ ถ้าหากว่าคุณอยู่ในภาวะใกล้จะสอบไล่ปลายปีและต้องการจะเพิ่มพลังความจำของคุณในระยะเวลาอันสั้นนั้นแล้วก็อาจจะกระทำได้ด้วยการกินยาประเภทเสริมความจำและเร่งเร้าประสาทสมองดังต่อไปนี้คือวิตามิน B12 ชนิดน้ำซึ่งมักจะเรียกกันว่าวิตามินที่ช่วยให้เกิดความขยันหรือยาแก้ความเกียจคร้านกูต้ามินิกแอซิดซึ่งมีผลในการช่วยให้เกิดความกระพรี้กระปราสมองแจม่มใส เกิดความขยันขันแข็งขึ้นสติมแลนด์อันเป็นยาประเภทกระตุ้นเตือนประสาทสมองให้ปฏิบัติงานเข้มแข็งและกระปรีกก่กระเปราขึ้นซึ่งแพทย์จะออกใบสั่งให้เมื่อได้ตรวจร่างกายของคุณแล้วไม่ควรซื้อใช้โดยปราศจากคำสั่งแพทย์นอกจากนี้ยังมียาประเภทเทรนคลิลเซอร์ซึ่งจะใช้ได้ก็แต่โดยรับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้นการใช้โดยเชื่อตามคำประกาศขายยา อาจก่อให้เกิดผลร้ายได้มากกว่าจะให้ผลดีอาหารการกินแม้ว่าเราทุกคนจะรู้จักการกินมาแต่เด็กๆโดยไม่ต้องมีการศึกษากันเป็นพิเศษอย่างใดก็ตามแต่ถ้าจะให้มีการกินที่ถูกต้องให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายจริงๆแล้วก็อย่อมจะต้องมีการเรียนกันบ้างตามสมควรควรจะกินอาหารมากๆหรือไม่ถ้าจะมีคําถามว่าเราควรจะต้องกินอาหารจํานวนมากในแต่ละมื้อหรือไม่แล้วขอตอบว่าไม่จําเป็นต้องกินอาหารครั้งละมากๆ เมื่อเรายังอยู่ในวัยเด็กมารดาบิดามักจะเฝ้ารบเร้าให้เรากินอาหารมากๆแม้ว่าเราจะได้กินเข้าไปจนหายหิวแล้วก็ตามทั้งนี้ก็เพราะมารดาบิดาเข้าใจและมักจะอ้างเหตุผลว่าการกินมากๆจะทำให้เราเติบโตเร็วขึ้นแม้ว่าจะมีความจริงอยู่ว่าการกินอาหารจะช่วยให้เราจเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นก็ตามแต่ขอเตือนว่าไม่ควรจะกินจนเกินขนาดไป การกินมากน้อยเพียงใดนั้นจะต้องพิจารณาถึงงานประจำของคุณด้วยกล่าวคือต้องพิจารณาว่าโดยปกติธรรมดานั้นคุณทำงานโดยใช้กําลังกล้ามเนื้อคือทางกายหรือใช้สมองคือกาลังความคิดถ้าหากคุณอยู่ในประเภทปัญญาชนคือทำงานด้วยการใช้ความคิดมากกว่าใช้กาลังกายแล้วในด้านการกินคุณจะต้องรู้จักกินให้ถูกต้องกินแต่พอควรกินให้หายหิวระวังการย่อยอาหาร ด้วยการค่อยๆกินอย่ารีบร้อนเคี้ยวอาหารให้แหลกจริงๆและต้องไม่อ่านหนังสือขณะกำลังกินอาหารถ้ายิ่งเป็นการร่วมโต๊ะหลายคนแล้วก็ถือว่าการอ่านหนังสือในขณะกินอาหารไม่สุภาพทั้งแก่คนอื่นและแก่ท้องของคุณเองหรือแม้แต่ความจำของคุณนอกจากนั้นจงหลีกเลี่ยงการโต้แย้งกับคนอื่นในระหว่างเวลาอาหารฝึกฝนตนเองในการเคี้ยวถ้าคุณจะฝึกฝนตนเองในการเคี้ยวอาหารให้ถูกต้องขอแนะนําดังต่อไปนี้ จงอย่าจริงจังมากเกินไปในการฝึกวันแรกๆเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือคิดว่ายากที่จะทำได้ถูกวิธีจริงๆก่อนจะเริ่มลงมือกินอาหารจงเตือนตัวของคุณเองว่าฉันจะเคี้ยวอาหารห้าครั้งทุกคำก่อนที่ฉันจะกลืนลงไปในลำคอและฉันรู้สึกดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ตักอาหารเข้าปากครั้งหนึ่งเคี้ยวห้าครั้งแล้วจึงดำเนินการกลืนกินตามความเคยชินของคุณ วันต่อไปเริ่มต้นกินอาหารในแต่ละมือ้อด้วยการเคี้ยวห้าครั้งทุกคำและจงเพ่งเลงว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่วันต่อๆไปจงเพิ่มจำนวนครั้งของการเคี้ยวแต่ละคำให้มากขึ้นกว่าเดิมจนแน่ใจว่าอาหารทุกชิ้นแหลกละเอียดก่อนจึงกลืนลงกระเพาะของคุณจงดำเนินการฝึกในเรื่องการเคี้ยวอาหารดังกล่าวไปอย่าง ช, ช้าๆอย่าหักโหมและแล้วคุณจะพบว่าการเคี้ยวอาหารช้าๆนั้นทาให้คุณสบายใจและไม่เห็นเป็นการลำบากอะไรเลย ถ้าจะถามว่าเมื่อเราตักอาหารเข้าไปเต็มปากครั้งหนึ่งแล้วควรจะเคี้ยวสกักกีครั้งจึงจะอยู่ในระดับพอดีและเหมาะสมถูกอนามัยขอตอบว่าประมาณ20ครั้งในครั้งแรกๆคุณอาจจะคิดว่ามันออกจะมากโขสำหรับการเคี้ยวอาหารคำละ20ครั้งแต่แล้วถ้าฝึกต่อๆไปคุณจะพบว่าคุณสามารถทำได้โดยไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือฝืนความรู้สึกแต่อย่างใด การหายใจช่วยความจำสมองของเราทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าจะเปรียบกับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ได้ไม่รู้จักเหนื่อยตลอดเวลาเครื่องยนต์ทำงานได้โดยอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงแต่สมองมนุษย์ทำงานได้โดยอาศัยโลหิตโลหิตนำเอาความมีชีวิตชีวามาสู่สมองด้วยการสูบฉีดเอาออกซิเจนมาหล่อเลี้ยง ดังนั้นเราจะต้องช่วยในทางเพิ่มออกซิเจนให้แก่สมองให้สมองได้รับออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอแต่เราจะทำได้ด้วยวิธีใดเล่าคำตอบก็คือด้วยการส่งอากาศออกซิเจนพิเศษเข้าไปสู่สมองนะสิคุณอาจจะสงสัยถามต่อไปว่าด้วยวิธีใดละ่ะคำตอบก็คือไม่มีทางใดดีไปกว่าการหายใจอย่างถูกวิธี คุณคุณคงจะได้อ่านพบอยู่บ่อยๆในนิตยสารและหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับประโยชน์ของการหายใจลึกๆและอย่างถูกวิธีและบางคนอาจคิดว่าเรื่องง่ายๆเช่นนั้นไม่น่าจะต้องมาพูดถึงบ่อยๆในเมื่อทุกคนก็รู้จักและหายใจกันอยู่ทุกวันเช่นนี้แล้วระบบการหายใจของมนุษย์เราต้องการเพียงแต่การทำงานด้วยการสนใจอย่างแท้จริงแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นความเกียจคร้านของมนุษย์เราเช่นเคยนั่นแหละที่มองเห็นว่า มันเป็นวิธีง่ายๆไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่อย่างใดดังนั้นเราจึงได้พบว่าบางคนมีระบบการหายใจที่เลวร้ายขนาดทำให้สัตว์ได้อายไปทีเดียวนั่นคือเสียงหายใจดังฟืดฟาดไม่เป็นจังหวะจะโคนคุณต้องการที่จะบำรุงเลี้ยงความจาและขนาดเดียวกันก็ย่อมหมายถึงการบำรุงสมองของคุณด้วยหรือไม่ใช่ ถ้าคุณต้องการเช่นนั้นจงพยายามฝึกการหายใจให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ได้เป็นอยู่ในขณะ น, นี้มิฉะนั้นแล้วคุณจะไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มพลังความจำของคุณให้ดีขึ้นได้เลยจงใช้ความพยายามสักหนึ่งสัปดาห์เพื่อฝึกเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเลี้ยงร่างกายโดยเฉพาะเลี้ยงสมองของคุณและหลังจากนั้นแล้วคุณจะได้พบกับความประหลาดใจประหลาดใจที่ว่าถ้าคุณไม่ได้ให้ความสนใจอ ย, อย่างแท้จริงต่อการหายใจแล้ว ระบบการหายใจของคุณจะผิดกันอย่างสังเกตเห็นได้ชัดแต่ถ้าพยายามฝึกต่อไปจนเกิดความเคยชินแล้วคุณก็จะหายใจได้ถูกวิธีตลอดไปและโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยจงสังเกตการหายใจของตัวคุณเองแล้วคุณจะพบว่ามันเป็นกลวิธีอันหนึ่งเหมือนกันคุณหายใจโดยที่ตัวคุณเองไม่ทราบว่าคุณกำลังทำอะไรแต่การหายใจเช่นนั้นเป็นเพียงการหายใจอย่างตื้นๆไม่ได้อากาศบริสุทธิ์ แม้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ที่ปอดของคุณต้องการดังนั้นจงพยายามฝึกหายใจที่ถูกต้องด้วยการยืนหรือนั่งยืดกายให้ตัวตรงกว่าการนั่งตามปกติแล้วจงดูจงสังเกตการหายใจของคุณจะเห็นชัดว่าการหายใจของคุณดีขึ้นหรือคุณจะหายใจลึกกว่าเดิมเล็กน้อยพร้อมกันนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีความสบายขึ้นและถ้าคุณกาลังมีความตื่นเต้นหรือตกใจ ถ้าได้หายใจลึกๆสักครู่จะรู้สึกว่าค่อยสงบขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์คุณเชื่อหรือไม่ว่าความจำของคุณนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เทคนิคของการหายใจก่อนอื่นถ้าคุณกำลังนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่บนเก้าอี้เท้าแขนในลักษณะสบายๆหรือนั่งอ่านอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือจงเปลี่ยนอิริยาบถตั้งตัวตรงมีฉะนั้นสมองของคุณจะขาดอากาศบริสุทธิ์เท่าที่ควรจะได้ เพราะในการนั่งในลักษณะที่ไม่เหมาะสมของคุณคุณนั่งดังที่ได้บอกนี้เรียบร้อยแล้วหรือดีละ่ะแต่จงสังเกตให้ดีภายหลังจากการที่คุณปรับตัวยืดอกตรงประมาณสองถึงสามนาทีคุณจะต้องขยับกายยืดตัวเพื่อนั่งตัวตรงดังกล่าวอีกครั้งเพราะจะปรากฏว่าร่างกายของคุณงอฟุบลงในลักษณะเดิมอีกคืออาจจะอยู่ในท่านั่งถลำลงไปเบื้องหน้าหลังงอดังนี้แล้วการหายใจย่อมเป็นไม่ได้ดีเท่าที่ควร เป็นความจริงเช่นนี้ไม่ใช่หรือคนส่วนมากทราบดีว่าการหายใจของมนุษย์เรานั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะบังคับได้เพราะส่วนมากคิดว่าการหายใจเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่จะต้องหายใจเพื่อความมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ความจริงแล้วการหายใจอาจจะบังคับได้และโดยใช้เจตนาของเราได้ทั้งหมดที่คุณต้องการกระทาก็คือคิดถึงมันและแล้ว คุณก็จะปรับปรุงการหายใจมีสภาพดีขึ้นจงลองฝึกด้วยการกลั้นหายใจเอาไว้ให้เต็เตมกลั้นแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกด้วยความตั้งใจบอกตัวเองว่าคุณกำลังหายใจออกถ้าคุณสามารถบังคับการหายใจของคุณได้นั่นย่อมแสดงว่าคุณสามารถบังคับให้มีการหายใจที่ถูกต้องวิธีได้แล้วแล้ววางใจได้ว่าคุณจะไม่ถูกเพื่อนฝูงล้อเลียนว่าหายใจฟืดฟาดเหมือนหมูการฝึกบังคับการหายใจ แรกทีเดียวอย่าเริ่มต้นโดยการหายใจเข้าแต่จงเริ่มในทางตรงข้ามคือเริ่มต้นโดยการฝึกหายใจออกทางนี้โดยมีเหตุผลง่ายๆว่าถ้าคุณหายใจเข้านั่นหมายความว่าคุณได้สูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปรวมกับอากาศเสียที่ยังมีเหลืออยู่ในปอดของคุณและเพราะยังหายใจออกมาไม่หมดดังนั้นเริ่มแรกทีเดียวคุณจะต้องทําให้ภายในปอดของคุณว่างเปล่าจริงๆด้วยการหายใจออกเมื่อคุณหายใจออกจนหมดสิ้นแล้ว จงอย่าคิดว่าคุณจะต้องผีแผลมหายใจเข้าเช่นเคยเพราะนี่เป็นโอกาสของคุณในอันที่จะถือเอาประโยชน์จากการที่ภายในปอดของคุณปราศจากอากาศเสียโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นด้วยการที่เริ่มหายใจอย่างสบายๆไม่ต้องหายใจเข้าให้ลึกนักหลังจากการฝึกด้วยวิธีแรกเช่นนี้ชั่วระยะเวลาอันสัน้นแต่จะให้ผลอย่างมากแล้วไม่เพียงแต่สมองของคุณจะสดชื่นแจ่มใสเท่านั้นหากแต่สุขภาพทั่วทั่วไปของคุณยังจะดีขึ้นตามไปด้วย การฝึกหัดดังกล่าวนี้ไม่ยากเย็นอะไรนักมันอาจจะยากก็เพียงเพราะมันเป็นการฝืนกับนิสัยหรือความเคยชินเล็กๆ น, น้อยๆของคุณเท่านั้นและด้วยวิธีนั่นแหละที่อาจทำให้คุณลืมที่จะฝึกการหายใจให้ถูกต้องตลอดไปการฝึกฝนบางประการในการหัดการหายใจให้ถูกต้องนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิชาที่เรียกกันว่าโยคะซึ่งเป็นรากฐานของวิชาการบริหารร่างกาย แต่ทว่าเราอย่าเพิ่งไปสนใจกับวิชายโยคะนั่นเลยเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันในขณะ น, นี้ความมุ่งหมายสำคัญของเราในบัดเดี๋ยวนี้ก็เพื่อที่จะทําให้สมองของคุณได้รับการตกแต่งให้สดใสปลอดโปร่งและเพื่อบํารุงเพิ่มพลังความจําของคุณเท่านั้นการหายใจด้วยความรู้สึกตัวเราได้ทราบกันโดยได้รับการบอกเล่าต่อๆกันมาว่าการหายใจของเรานั้นส่วนมากมักจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและดังนั้นย่อมหมายความว่า เป็นการกระทำโดยที่เราไม่รู้สึกก็แล้วจะทำอย่างไรละ่ะจึงจะเป็นว่าการหายใจของเรานั้นได้เป็นไปโดยที่เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าขอแนะให้ว่าทั้งหมดที่เราจะต้องกระทำก็คือคิดถึงเรื่องการหายใจซึ่งขอให้กระทำดังนี้จงเตือนตัวเองให้รู้ว่าคุณกำลังหายใจอยู่และพยายามให้มีความรู้ถึงความจริงที่ว่าคุณกำลังหายใจเข้าและกำลังหายใจออก คุณจะต้องพยายามหายใจเข้าลึกๆกว่าปกติและผ่อนหายใจออกให้ยาวกว่าแต่ระวังอย่ากระทําด้วยการเคร่งเครียดจริงจังอะไรเกินไปนักควรจะค่อยๆฝึกและพยายามให้มันกลายเป็นการหายใจที่ถูกวิธีโดยอัตโนมัติให้จงได้เขาพเจ้าขอย้ำว่าเพียงแต่ให้คุณเพ่งความสนใจของคุณลงไปในความจริงที่ว่าคุณกาลังหายใจเข้าและหายใจออกอยู่เท่านั้น พยายามรู้สึกและคิดว่าอากาศบริสุทธิ์กําลังผ่านเข้าไปในจมูกของคุณแล้วกระจายลงไปสู่ปอดและในทางกลับกันเมื่อคุณหายใจออกอากาศเสียที่ร่างกายของคุณไม่ต้องการแล้วก็จะถูกส่งจากปอดขึ้นมายังจมูกเพื่อระบายออกจากภายนอกร่างกายของคุณถ้าคุณต้องการความก้าวหน้าก้าวต่อไปอย่างสงบแล้วล่ะก็ข้าพเจ้าขอแนะนาให้ฝึกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้คุณจะทาได้เมื่อไหร่นะหรือ เมื่อไรก็ได้แล้วแต่คุณจะปรารถนาเมื่อไรก็ได้ที่คุณเกิดนึกอยากจะทําจงปฏิบัติอย่างน้อยครั้งละหนึ่งถึงสองนาทีทุกๆเวลาเช้าโดยไปยืนหยุดตรงหน้าต่างห้องนอนของคุณเปิดหน้าต่างให้อากาศบริสุทธิ์ผ่านเข้ามาได้สะดวกจงยืนตัวตรงอยู่ในทางผ่อนคลายตามสบายไม่เครียดแล้วเริ่มฝึกการหายใจออกยาวๆแล้วหายใจเข้าลึกๆสลับกันไปวันหนึ่งคุณควรจะฝึกสักกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ถ้าคุณสามารถจะทําได้ ประการสําคัญที่สุดก็คือการทําให้การหายใจแบบอัตโนมัติของคุณกลับกลายเป็นการหายใจโดยที่คุณตั้งใจหรือบังคับได้เท่านั้นจงพยายามทําการฝึกเช่นนี้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่คุณจะหาโอกาสทําได้ในช่วงเวลาต่างๆของวันวันหนึ่งตลอดชั่วชีวิตของคุณแม้แต่ขณะที่คุณสนทนาอยู่กับใครสักคนหรือหลายคนคุณอาจจะทําได้อาจมีผู้แย้งว่าก็ขณะสนทนากันนั้นเราจะฝึกการหายใจได้อย่างไร เพราะเรากำลังพูดอยู่ขอตอบว่าเมื่อเวลาคุณเป็นฝ่ายพูดแน่ละ่ะย่อมทำไม่ได้แต่เมื่อคุณเป็นฝ่ายฟังเพื่อนของคุณพูดตอนนี้แหละที่คุณฝึกการบังคับการหายใจของคุณได้และถ้าได้ลองทำดูแล้วคุณจะพบว่าความจริงมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกดีเหมือนกันเมื่อคุณได้เห็นผลหลังจากการฝึกแล้วเพียงเดือนเดียวการหายใจเป็นจังหวะคุณอาจจะหายใจให้เป็นจังหวะสม่ำเสมอได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ฝึกหายใจให้เป็นไปตามที่ได้กล่าวมาแล้ว จนสามารถทำได้ดีโดยไม่ต้องฝืนความเคยชินดังนั้นขอเตือนว่ายาฝึกหัดหายใจให้เป็นจังหวะจนกว่าคุณจะผ่านการฝึกหายใจภายใต้บังคับดังกล่าวแล้วได้เสียก่อนการหายใจโดยจงใจเจตนาและการหายใจเป็นจังหวะนั้นเมื่อคุณฝึกได้แล้วมันจะคงอยู่ตลอดไปชั่วชีวิตของคุณ ในขณะเดียวกันความไม่สะดวกในขณะฝึกแต่แรกจะหายไปโดยสิ้นเชิงต่อไปการหายใจอย่างเป็นจังหวะของคุณก็จะยิ่งสม่ำเสมอเป็นระเบียบยิ่งขึ้นเห็นไหมว่าขณะนี้คุณมีระบบการหายใจดีขึ้นแล้วอย่างพึงใจเพื่อที่จะให้เป็นเช่นนั้นจงทําดังนี้นั่งลงบนเก้าอี้นั่งยืดอกหลังตรงให้แน่ใจว่าน้ําหนักส่วนอกและศีรษะของคุณตั้งอยู่กลางลำตัวพอดีถ้าคุณนั่งได้เช่นนี้แล้ว จะช่วยการทรงตัวของคุณดีขึ้นไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งคราวนี้เริ่มการหายใจออกวงเล็บเปิดทางจมูกไม่ใช่ทางปากวงเล็บปิดจงหายใจออกให้ยาวที่สุดที่คุณจะทำได้เพื่อไล่อากาศเสียภายในปอดออกให้หมดจงหายใจเข้าทันทีเมื่อหายใจออกสิ้นสุดแล้วแต่ระวังจงทำอย่างสบายๆไม่เคร่งเครียดการหายใจเข้าในลักษณะเช่นนี้ ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองวินาทีจงอยากระทำด้วยการฝืนนอกจากเพื่อการฝึกให้มีการหายใจที่เป็นจังหวะและแล้วโดยไม่มีการหยุดพักคุณต้องหายใจออกยาวๆอีกการหายใจออกต้องใช้เวลาเป็นสองเท่าของการหายใจเข้าเริ่มหายใจเข้าอีกแล้วหายใจออกเช่นนี้ติดต่อกันไปจงฝึกเช่นนี้สักสามถึงสี่ครั้งในคราวแรกๆ แ, แล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆตามลำดับในระหว่างการฝึกฝน จงกระทำซ้ำบ่อยๆที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ในวันหนึ่งหนึ่งถ้ายิ่งทำได้ทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าและหายใจออกก็ยิ่งได้ผลดีมากขึ้นแน่ละ่ะการฝึกเช่นนี้จะต้องฝืนความเคยชินและต้องใช้พลังใจบังคับมากและคุณต้องระวังเตือนตัวเองให้รู้อยู่เสมอว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่อย่าปฏิเสธการฝึกเช่นนี้โดยอ้างว่าคุณไม่มีเวลาว่างพอเพราะธุรกิจการงานรัดตัวจนหาเวลาว่างไม่ได้ เพราะไม่มีใครจะยอมเชื่อว่าในระยะเวลา24ชั่วโมงในวันหนึ่งนั้นคุณจะไม่มีเวลาว่างจากธุรกิจคราวละ 5-10 วินาทีสัก 5-6 คราวในวันหนึ่งหายใจเข้าทางซ้ายหายใจออกทางขวาการหายใจแบบนี้เรียกว่าการหายใจแบบสลับกันกล่าวคือเมื่อคุณหายใจเข้านั้นคุณสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ปอดโดยจมูกข้างหนึ่งแต่เมื่อหายใจออกคุณปล่อยออกทางรูจมูกอีกข้างหนึ่ง แต่การฝึกเช่นนี้อาจต้องการเวลามากกว่าที่ได้กล่าวมาแล้วอยู่สักหน่อยระวังก่อนการฝึกการหายใจแบบสลับนี้คุณจะต้องแน่ใจว่าจมูกทั้งสองข้างของคุณนั้นข้างใดข้างหนึ่งไม่คัดหรือต้องหายใจได้สะดวกทั้งสองข้างดังนั้นลองสั่งน้ำมูกเบาๆเพื่อทดสอบต่อไปนี้คือวิธีการฝึกการหายใจแบบสลับกันแบบนี้เป็นแบบของการบริหารกายแบบโยคะจงนั่งลง นั่งตัวตรงตามวิธีแรกที่ได้กล่าวมาแล้วน้ำหนักอกและศีรษะตั้งอยู่ตรงกลืงกลางลำตัวใช้นิ้วหัวแม่มือขวาปิดจมูกข้างขวาไว้เริ่มหายใจเข้าลึกๆทางรูจมูกซ้ายสูดหายใจเข้าช้าๆอย่าให้เป็นการฝืนและต้องหายใจเข้าตามจังหวะการหายใจดังกล่าวมาแล้วระหว่างการหายใจเข้านี้นิ้วหัวแม่มือขวาต้องปิดจมูกขวาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเสร็จการหายใจเข้าแล้ว ปิดจมูกซ้ายด้วยนิ้วชี้ของมือข้างขวาในลักษณะเช่นนี้รูจมูกทั้งสองจะถูกปิดหมดอยู่ในลักษณะเช่นนั้นชั่วครู่อยู่ในลักษณะผ่อนคลายปล่อยหัวแม่มือขวาคงปิดแต่รูจมูกซ้ายไว้แล้วผ่อนลมหายใจออกช้าๆทางรูจมูกข้างขวาเมื่อหายใจออกจนหมดปอดแล้วสูดลมหายใจเข้าแต่ครั้งนี้สูดหายใจเข้าทางรูจมูกข้างขวาจมูกข้างซ้ายคงปิดไว้ด้วยนิ้วชี้เช่นเดิม สูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วใช้หัวแม่มือขวาปิดจมูกข้างขวาอยู่ในลักษณะกลั้นลมหายใจชั่วครู่แต่ต้องอยู่ในลักษณะผ่อนคลายเปิดจมูกซ้ายหายใจออกจังหวะที่ถูกต้องจังหวะการหายใจที่ถูกต้องตามวิธีการบริหารกายของโยคะมีดังนี้หายใจเข้าด้วยรูจมูกข้างซ้าย2วินาทีปิดจมูกทั้งสองกลั้นหายใจไว้6วินาทีหายใจออกทางจมูกข้างขวา4วินาที หายใจเข้าทางจมูกข้างขวาสองวินาทีปิดจมูกทั้งสองกลั้นหายใจไว้หวินาทีหายใจออกทางจมูกข้างซ้ายสี่วินาทีควรฝึกทำวันละกี่ครั้งอย่างน้อยที่สุดวันละหนึ่งครั้งถ้าเป็นไปได้ควรกระทำในเวลาเช้าก่อนถึงเวลาอาหารเช้าเมื่อคุณตื่นนอนลุกจากที่นอนไปยืนตรงหน้าต่างเปิดหน้าต่างออกเต็มที่หรือจะทำก่อนนอนก็ได้ ถ้าหากคุณมีเวลาพอที่จะฝึกได้วันละห้าหรือหกครั้งแล้วก็ยิ่งดีและถ้าจะฝึกในระหว่างคุณนั่งทำงานอยู่ได้ก็ยิ่งดีประการสำคัญก็คือคุณต้องมีโอกาสอยู่อย่างสงบและปราศจากผู้มารบกวนในขณะที่คุณกำลังฝึกขอให้เข้าใจว่าการฝึกเช่นนี้ไม่ใช่สำหรับคนที่มีนิสัยชอบสนุกเป็นครั้งคราวแบบเพย์บอย เพราะถ้าคุณจะฝึกทำเพียงสัปดาห์ละเพียงครั้งเดียวแล้วเมื่อไหร่คุณจะเกิดความเคยชินและจดจำการหายใจแบบนี้ได้ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆแล้วล่ะก็ขอแนะนำให้เอาเวลาไปดูภาพยนตร์เสียจะดีกว่ามานั่งฝึกหายใจแบบสลับที่มีจังหวะเช่นนี้แต่ถ้าคุณต้องการจะฝึกการควบคุมจิตใจของตนเองต้องการให้สมองแจ่มใสต้องการเพิ่มพลังความจำแล้วจงพยายามฝึกต่อไปและด้วยความตั้งใจจริงอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณมีอาการปวดเมื่อย คุณจะต้องหายใจเมื่อได้ฝึกตามวิธีนี้อย่างจริงจังถ้าคุณมากไปด้วยความกังวลใจในการจำไม่แม่นคุณจะเลิกกังวลเวลาในไม่ช้าถ้าคุณมีอารมณ์เครียดคุณมัวตลอดเวลาอารมณ์ร้ายของคุณจะหายไปในที่สุดและข้าพเจ้ามั่นใจว่าความจำของคุณจะสดใส ย, ยิ่งขึ้นข้อควรระวังขณะที่คุณหายใจเข้าจงหายใจเข้าอย่างช้าๆอย่ารีบร้อนขณะคุณปิดจมูกทั้งสองข้างกลั้นลมหายใจนั้น ต้องอยู่ในลักษณะสงบผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดถ้าจะให้ดีแล้วควรหลับตาทั้งสองเพ่งความสนใจอยู่แต่ในการฝึกของคุณเท่านั้นและพยายามอย่าคิดในเรื่องอื่นๆ